ถ้าทุกคนรู้ว่าตนนันยังช่วยตัวเองไม่ได้อย่างนี้นะมันก็ต้องมารวมหัวกันฝึกพ้นสามาคีปฏิบัติร่วมกันอย่างนี้จะไปหาเอาแต่ความสุขความสบายส่วนตัวอย่างเดียวนั่นนั่นแหละกิเลสมันจะท่วมทับหัวใจ มันไม่รวมหัวไม่ตัง้งไม่พร้อมเทียงสามนาทีกันธรรมดาคนที่มีกิเลสอยู่เนี่ยมันอยากอยู่ตามสบายสบายใจอยากคิดอะไรก็คิดไปตามสบายใจอยากพูดอะไรก็พูดไปนี่ไอคนที่ไม่ไม่ยินดีอยู่ในระเบียบอยากเป็นอิสระในการทำการพูดการคิด ถ้าหากวามาสู่ระเบียบแล้วเพื่นอนผนแนะนำให้สำรวมใจให้ทําใจอย่างนี้มันทําใจไม่ได้มันก็อึดอัดอ ม, มันทําไม่ได้ก็ต้องทํา ม, มันอึดอัดเกิดชั้งมันอดทนเพ่งความอึดอัดอ น, นั้นปใไปมันทะลุ ป, ปุกองไป แผงกายเนี่ยฮะมันแตกกระจายออกไปหมดไม่มันมีอึดอัดอะไรทั้งหมดไอ้อย่างนี้นะเรียกว่าการฝึกตนอนะ่ะอันมันอึดอัดก็เพราะเหตุว่ามันไม่รู้เท่ากายนี่เองแหละไม่รู้เท่าอารมณ์ของจิตอตัวเองสร้างขึ้นมาแล้วตัวเองก็ลำคาญเองอึดอัดเอง แล้อย่างนี้จะไปโทษใครลน่ะก็โทษตัวเองนะตัวเองเป็นผู้ตั้งจิตไว้ไม่ถูกถ้าตั้งจิตใจไว้ถูกแล้วอย่างนี้มันเบาการปฏิบัติธรรมนี่นะมันปลอดโปรง่งอย่างนั้นไม่มีอึดอัดขัดข้องอะไรถ้าจะตั้งใจไว้ถูกไว้ ถูกทางนี่นะตั้งอย่างไรเราจึงตั้งว่าถูกทางก็ตั้งไว้เอาสติเข้าไปควบคุมสติแปลว่าความระลึกได้ระลึกเข้าไปหาความรู้สึกอันนั้นอันนี้ก็เคยพูดอยู่ไว้บ่อยแล้วเมื่อสติเข้าไปควบคุมความรู้สึกอันนั้นอยู่ ความรู้สึกคือดวงจิตมันก็ไม่คิดแบบนี้มันมีสติควบคุมอยู่แล้วมันก็ไม่คิดอย่างนี้นะเมื่อมันไม่คิดแล้วมันก็สบายเมื่อมันไม่คิดแล้วไม่กังวลกับอะไรอะไรหรือมันก็สบายมันก็เย็นนี่แหละการปฏิบททัติธรรมที่ว่าตั้งใจมันถูกทางนะ ไม่ใช่เราจะไปโ ก, โกดระกดจิตใจอยู่นั้นตลอดเวลาเหมือนนักโทษนี่บังคับอยู่อย่างนั้นเลยไม่ใช่แต่ได้บังคับแต่ทีแรกแนะ่ะทีแรกมันมันอยากจะคิดไปทางอื่นพุ่งซ่านไปแล้วก็ข่มมันลงนะมเมื่อมันลงไปได้เต็มที่แล้วอย่างนี้มันลงที่เดิมมาแล้วเราก็ระคองไว้แบบนี้ไม่ใช่ขม่มแบบนี้นะ ประคองให้มันเป็นปกติอยู่อย่างนี้ให้มันสบายสบายเมื่อสติประคองมันไม่คิดพุ่งส้านไปทางอื่นแล้วอย่างนี้มันก็สบายจิตใจนี่นะ ม, มันสำคัญอยู่ที่สติให้เข้าใจสติเป็นเครื่องกั้นกระแส จ, จิตไม่ให ไหลลงไปในทางต่ำสติเตสร้างนิวาระนังหัวเนี่ยให้พากันเข้าใจสร้างสติสมบสัญญติญาณนี่ฮมันเข้มแข็งขึ้น ม, มนนันลึกเข้าไปดูจิตคือความรู้สึกนั่นนะสเสมอสเสมอส เราจะนั่งก็ดีนอนก็ดียืนเดินกินดื่มพูดจาปลาใสกับใครต่อใครทำการงานอะไรก็ไม่เผลอสติคือระลึกเข้าไปกรวดการดูจิตใจนั้นเสมอไปกำหนดรู้ว่าเวลานี้จิตก็เป็นปกติอยู่ ไม่วันไว้ไปด้วยไปด้วยเรื่องอะไรอย่างนี้นะนนเมื่อจิตเป็นปกติอยู่นั่นนะ่ะการทำการพูดอะไรมันก็สม่ำเสมอไปมันก็ไม่เสียหายเพราะเมื่อจิตเป็นปกติอยู่แล้วมันรู้อ่ะอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำมันก็รู้ อย่างเช่นเมื่อมันมีสติอยู่มันระลึกได้เออเพื่อนประชุมกันบ่ายห้าโมงนะอย่างนี้นะเราจะต้องเตรียมตัวให้มันทันกับเวลาอย่างนี้ระลึกได้อย่างนี้เราก็เตรียมตัวกันมีการงานอะไรอื่นก็วางมือซะก่อนอย่างนี้นะธรรมดาผู้มีสติผู้เอาใจจดจอ่อต่อข้อวัดปฏิบัต อันสําคัญสําคัญนะให้ถือว่าการฝึกตนการฟังการทําสมาธิภาวนาเนี่ยนะมันเป็นกิจสัมพันธ์สำคัญกว่าการงานอย่างอื่นต้องให้เข้าใจอย่างนั้นเพราะฉะนั้นโยมทีไปอ้างว่าคาอันนั้นคาอันนี้อยู่อย่างนี้แล้วทํามันจึงเคลื่อนค้าดเวลาไม่โตกไปเห็นอย่างนั้นไม่โตก เพราะว่าการงานในโลกนี่มันไม่มีสิ้นสุดหรอกถ้าเราไม่วางมือแล้วมันทำอยู่วันยังทำมันก็ทำได้อ่างนั้นเราต้องรู้ต้องฉลาดอย่างนี้สิผู้ปฏิบัติธรรมให้เห็นความสำคัญในการปฏิบัติเป็นพิเศษไว้เลยอย่างนั้นงานอย่างอื่นถือว่าเป็นงานอาดีข ดังนั้นน่ะทุกคนนะให้พึงเข้าใจตั้งแต่ครั้งพุทธเจ้านี่ะชาวบ้านเนี่ยเขายังหลั่งไหลกันออกมาฟังธรรมในตอนบ่าย ท, าทุกวันทุกวันพระศาสดาก็ทรงสเสด็จลงมาที่ศาลามาต้อนรับเขามาแนะนาสั่งสอนเขา เขาก็ดได้ฟังทำได้สำรวมจิตใจไปพร้อมอบรมอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นไปตอนค่ำเป็นวาระของภิกษุสามเณรจะไปประชุมกันพระสาทาสดาก็เสด็จลงไปโปรด ถ, ถังสอนพระภิกษุสามเณรผมควรก็เวลาแล้วกรเสด็จขึ้นพาคันพ ก, กุคิดี พระเนรก็เลิกแยกย้ายกันไปทำความเพียรอยู่ตามที่อยู่ของตนของตนอันนี้เป็นกิจวัตรมาแต่ครั้งพรธเจ้าโน่นนะให้เข้าใจนะเหตุที่พาทำอย่างนี้นะไม่ใช่ไม่มีหลักฐานนี้มีหลักฐานนะ่ะอืมการทำอย่างนี้แหละมันทำให้อินทรีแก่กล้าขึ้นไป ให้เข้าใจบางคนก็ไม่อดไม่ทนทั้งที่บวชมานมนานก็มี น, นั่นแหละจิตใจก็ยังเลาะเละอยู่อย่างี้นะเพราะฉะนั้นอ่ะอย่าไปเข้าใจว่าผู้บวชอยู่นานๆแล้วมันจะดีไปเองมัน โดยที่ไม่ทำความเพียนเข้มแข็งอะไรมันก็ดีไปเองมันไม่ใช่นะจะเป็นพระเป็นเลนเป็นชีก็ตามบวชกี่พันสาก็ช่างถ้าตั้งอยู่ในความประมาทไม่สำรวมจิตดวงนี้แหละไม่ไม่สำรวมไม่ประคองจิตดวงนี้ไว้ให้ตั้งมั่นอยู่ภายในแล้วนั้นอินทรีย์มันจะแก่ไม่ได้เลย แก่ไม่ได้ <c oughs> อินทรีย์มันจะแก่ได้ก็เพราะเหตุว่าฝึ ก, กจิตดวงนี้นะฮามันตั้งมั่นลงไปอดกั้นทนทานต่อเรื่องกระทบกระทั่งต่างๆไม่ให้วันไว้ไปตามนี่นะมันทำอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นโดยอาการอย่างนี้ไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วมันเป็นไปเองมันไม่ใช่ ทุกคนในเข้าใจดังนั้นเราอยู่ด้วยกันหมู่มากอย่างนี้นะไอ้ผู้มีนิสัยหยาบก็มีนิสัยละเอียดก็มีอผู้มีนิสัยหยาบก็ต้องแสดงอาการกิริยาหยาบอาอกไปบ้างแต่ก็มีศรัทธายินดีในการปฏิบัติอยู่ก็มีผู้มีนิสัยละมุนละไมก็มี เราก็เรียนรู้อานุนิสัยใจคอของกันเลยกันแล้วก็ไม่ถือสากันผู้นี้มีนิสัยอย่างนี้แต่เขาก็มีเจตนาดีโยมมุ่งหวังจะฝึกตนพประมาณต้นอย่างนี้นะเราก็ต้องอนุรมตามกันเว้นเสียแสเป็นผู้มีทั้งกิริ ย, ยาหยาบ ด้วยแล้วทั้งเป็นผู้ไม่ปรารถนาดีทำความดีนิดหน่อยหนึ่งไปเที่ยวลุกล้านผู้อื่นอยู่บ่อยๆอย่างนี้มันไม่ถูกต้องอนะันไม่ควรอยู่ร่วมหมู่เลยไอ้ผู้เช่นนั้นนะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้นิดใสใจคอของกันและกัน แล้วก็ผ่อนสั้นผ่อนยาวหากันอันนี้มันมีมาแต่ครัง้งพุทธเจ้าเหมือนกันแต่พระอรหันต์บางองค์นะพูดกับคนกับพระกับเน้นก็ว่าวัตริวัสริไอ้เจ้าคนทอยเจ้าคนทอยอย่างนี้พระโพุิชนไม่รู้เรื่องของพระอรหรันต์ งสงสัยเอ๊พระอรหันต์ทำไมยังหยาบคายอย่างนี้ว่างั้นไปทูลพระศาสดาพระองค์จึงได้ทรงตรัสให้ทราบว่าพระภิกษุองค์นี้เนะ่ยตั้งแต่ชาติหลังๆคือไปนู่นเพื่อนกเ่เคยเคยใช้คำพูดอย่างนี้มาไม่ไม่เฉพาะแต่มาใช้ในชาตินี้ว่างั้นมันเป็นนิสัยติดตามมาอย่างนั้น พระสาวกนี่ละกิเลสขาดจากคณะสันดานจริงแต่ว่าละวาสนาคือกิริยากายวาจาที่กิเลสอารมณ า, านั้นไม่ได้อืมแต่กิเลส ท, ที่ท่านละ อ, อที่กิริยามา ร, รยาทที่ละไม่ได้นั่นนะมันไม่เป็นบาปกรรมอะไรเป็นแต่เพียงกิริยาเท่านั้นเองนะ หรือเป็นอกิริยาเป็นกิริยาอยู่แต่ไม่ใช่กิริยาหมายความว่ากิริยาอาการที่ท่านแสดงออกไปนะั้นไม่เป็นบุญเป็นบาปจึงถือว่าเป็นอกิริยาไม่ใช่กิริยาที่จะมาสนับสรุนมานินทากันให้เข้าใจกันอยู่ด้วยกันหลายคน แล้วมีอะไรเราก็พูดกันมีเรื่องอะไรก็พูดตัวผู้หัวหน้าถ้าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องขอความเห็นจากหมู่มากก็ต้องเชิญเชิญแม่ชีทั้งหลายมารวมกันที่โรงครัวอย่างนี้น ะ, ะคูเป็นประธานก็ต้องยกเรื่องเราที่มีผู้สเสนอ ม, มาให้ที่ประชุมฟัง ว่าเรื่องราวการงานอันนี้เราจัดต้องทําอย่างนี้ใช่หรือไม่ขอความเห็นจากที่ประชมุมเห็นดีด้วยไหมจะทําอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นะถ้าที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นดีด้วยอย่างนี้แล้วก็เอาดําเนินไปอถ้าส่วนใหญ่คัดค้านไม่เห็นดีด้วยกดยกเลิกไป ทำไมประชาธิปไตยเนะี่ยมันต้องเอาอย่างนี้นะให้คนหมู่มากที่อยู่ร่วมกันมีสิทธิ์มีเสียงด้วยนี่ให้เข้าใจอย่างนี้ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งไปบงการเอาเัอผู้เดียวคิดขึ้นมาแล้วจัดการไปเลยคนอื่นไม่รู้ไม่เห็นด้วยอย่างนี้นะมัน ไม่ไม่ดีมันขาดความสามัคคีกันมันมันไม่ถูกกับกาลสมัยสมัยก่อนนะสมัยราาัฐราชาทิพไตยนั้นเป็นเผด็จการพนะระราชาเป็นผู้ตัดสินพระทัยเองสั่งเองการบริหารว่านเมือ ง, งต่างอยู่ที่พระราชาทั้งหมดเลยถึงจะมีเสนาอำมาตย์อยู่ เรื่องการงานการบริหารประเทศชาติอะไรพวกนั้นฝึกษาหารหือกันเสร็จแล้วก็เอาไปทูลพระราชาพระราชาไม่ใช้ดูแล้วถูกต้องอันนี้ก็ตัดสินใจเอาใช้ได้ก็ทรงลงพระประมาทิไทยเอาออกไปเป็นกฎหมายไปใช้ได้ถ้าพระราชาไม่เห็นด้วย ไม่ทรงลงพระประมาภิไทยเรื่องนั้นก็ตกไปนั่นสมัยราชาธิปไตยเป็นอย่างนั้นอันนี้มันเป็นประชาธิปไตยถือเอาเสียงของคนหมู่มากเป็นประมาณแบบนี้เราไม่ไม่ไม่ตั้งข้อเรื่องอย่างนั้นในทางพระพุทธศาสนาเนี่ เราถือเอาเป็นธรรมมาทิปไตยอย่างนี้แหละการประชุมกันหมู่มากแล้วเสนอเรื่องราวต่างๆขึ้นมาแล้วขอความเห็นจากที่ประชุมถ้าใครเห็นอย่างไรก็ชี้แจงออกมาแล้วแต่ต้องอ้างอิงทำอ้า อ, อิงวินัยเป็นหลักว่า ข้าพเจ้าเห็นอย่างนี้แล้วมันก็คงกับธรรมะข้อนี้คงกับวินัยข้อนี้ออะไรอย่างนี้นะอ้างหลักฐานมาพร้อมออืนนอาถามความเห็นที่ประชมแบบผู้นี้เห็นอย่างนี้นะใครจะเห็นชอบบ้างไหมออย่างนี้แหละถ้าคนหลายเห็นชอบด้วยเพราะมีเหตุผล ผู้พูดนั่นเดี๋ยว่อ้างอิงคำวินัยเป็นหลักอย่างนี้นะที่ประชุมเห็นชอบด้วยเช่นนี้แล้วก็ไม่ต้องให้ปัดพานอะไรมาตัดสินอีกที่อีกที่หนึ่งไม่ใช่เมื่อถกกันไปมาที่เหตุผลมันเป็นธรรมเป็นวินัยแล้วอย่างนี้เห็นพร้อมร่วมกันในที่ประชุมนั้นแล้วเลขาก็บันทึกลงไว้ แล้วก็เอาไปพิมพ์เป็นหนังสือทางราชการไปแล้วก็ให้ผู้บครับบรรชาแต่ละหมู่แต่ละคณะนำไปประกาศให้แก่ลูกวัดให้แก่บริษัททั้งหลายได้รู้ได้เข้าใจนยโยบายการบริหารหมู่คณะให้ถือเอาเรียวเียกันไปปฏิบัติ ใ้การปกครองคณะสงฆ์โดยธรรมมาธิปไตยสมัยปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่ด้วยกันในที่นี้ก็ให้เข้าใจเสียว่ากิจการงานบางอย่างนี่มันต้องอาศัยเสียงของคนหมู่มากเป็นประมาณ อย่างนี้แหละแต่กิจการบางอย่างก็อาศัยมติของคนผู้บริหารจำเพาะก็มีอย่างนี้แหละจะจะมันจะต้องอะไรอะไรก็จะต้องฟังความเห็นของคนหมว่มากทั้งหมดก็ไม่ใช่หรอกจะ ต, ต้องอาศัยดุลยพินิษผู้เป็นประมุขประธาน่ สิ่งใดควรที่จะทำไปโดยลําพังก็ทำลงไปสิ่งใดที่จะขอความเห็นจากคนหมู่มากก็เอาไปก็ทำไปดำเนินไปตามแนวนั้น อ, อย่างนี้แหละเมื่อใจเป็นธรรมแล้วนะมันทำอะไรมันก็เป็นเป็นธรรมไปหมดแหละ ม, มันก็มีเหตุมีผลไปหมดเลย ถ้าใจไม่เป็นธรรมใจมันลำเอียงแล้วเช่นนี้นะการทำอะไรมันก็ชักจะลำเอียงไปด้วยอำนาจของกิเลสลำเอียงไปด้วยความรักลำเอียงไปด้วยความชังลำเอียงไปด้วยความหลงลำเอียงไปด้วยความกลัวอย่างนี้แหละคํา่าขอลำเอียงนี่นะกลัวอำนาจอย่างใดอย่างหนึง่งแล้กวก็จำใจต้องได้ทาไป แม่รู้ว่ามันผิดอยู่ก็ต้องทําเพราะกลัวถ้าไม่ทําอย่างว่าข้าราชการอย่างนี้นะถ้าไม่ทําอำกลัวพวกบัาคับบัญชาเอจะลงโทษเอาอ น, นี่ก็จําใจต้องทําอันนี้เลยว่ามันมีความลําเอียงอยู่เพราะฉะนั้น่ะให้พากันเข้าใจอืม เราจะรู้ทำเหล่านี้ได้รู้ที่ใจของเราเองเมื่อใจสงบลงไปแล้วมันนจะรู้ว่าอะไรเป็นธรรมอะไรไม่เป็นธรรมมันก็รู้อย่างนี้นะแต่ทุกคนนะต้องสังรวมจิตของตัวเองให้ได้เมื่อสํารวมจิตใจให้เป็นกลางอยู่ได้แล้วผิดมันก็รู้ถูกมันก็รู้สม ควรทำหรือไม่ควรทำมันก็รู้อย่างนี้แหละฉันจะให้ผู้บงังคับบัญชาเนะีไปเที่ยบบอกทุกเรื่องทุกราวไปอย่างนี้ไม่ได้ดอกไม่ได้เพื่อนคนนนะนำาต่แนวทางปฏิบัติอย่างว่านี้เนี่ยขอให้รักษาจิตฝึกจิตตัวเอง ให้มันตั้งมั่นลงไปด้วยดีอย่าให้มันอ่อนแอท่อแท้หวนไว้ต่อคำสนเสริญคำนินทาต่างๆอันนี้เรเท่าที่เห็นมานะให้อยู่ด้วยกันไม่ได้กเพราะต่างคนไม่รักษาจิตให้หนักแน่นปล่อยให้จิตมันหล่อแหละเหลวไหลเมื่อเกิดเรื่องยุย่งยากอะไรขึ้นมาแล้วก็ท้อใจเลย บางของก็สตะทิ้งไปซ้ำเลยไม่แก้ไขไม่อดไม่ทนเลย้น อ, อย่างนี้มันจะเจริญด้วยบุญด้วยกุสนได้อย่างไรอ่ะในเมื่อตอนยมแพ้ต่อฝ่ายชั่วอยู่นี่นะอยอมมพยแพ้ต่ออำนาจของกิเลสอยู่อย่างนี้นะแล้วบุญคุณมันจะเจริญได้ยังไงอ่ะนัเนี่ย อันบุญคุณมันจะเจริญได้ก็เพราะเหตุว่าเมื่อมันมีเรื่องชั่วเรื่องไม่ดีอะไรเกิดขึ้นเราก็แก้ไขหรือระ ง, งับเรื่องไม่ดีม่งานตงๆนั้นให้มันดับไปจากจิตใจเสียก่อนเมื่อเรื่องชั่วร้ายเหล่านั้นมันดับไปไลแล้ ว, ล ว, ลวจิตใจเป็นปกติสบายแล้วอย่างนี้ก็จึงค่อยดำเนินงานไปการงานอะไรก็ดี มันก็เห็นได้เลยว่านี้รู้ได้ทําอย่างนั้นถูกต้องทําอย่างนี้ไม่ถูกต้องมันก็รู้ได้เมื่อใจเป็นกลางอยู่แล้วปัญญามันก็เกิดขึ้น น, นี้นะฉะนั้นทุกคนให้ดูใจตัวเองนั่นแหละอย่าไปดูอย่างอื่นเลยอย่าไปโทษผู้อื่นอันผู้อื่นก็ให้ถือเป็นเรื่องของผู้อื่นไป ถ้าผู้อื่นมาเกี่ยวข้องกับเราในทางที่ไม่ถูกไม่ดีเราก็ไม่ทําตามแล้วมันก็หมดเรื่องกันไปเท่านั้นเลยเอาใครเห็นดีว่าจะทําก็ทําไปแต่เราเห็นว่าไม่ถูกต้องแล้วไม่ทําเราก็ไม่ไปยกโทษใครเราทําดีแคอย่างเดียวแล้วแล้วไปคนอื่นไม่ดีก็เรื่องของคนอื่นแก้ไขตัวเองเอา อะไอย่างนี้เนี่ยมันถูกต้องเลยอ่ะไม่ได้ทะเลาะกันคนเราอยู่ร่วมกันนะตังเพลงนั้นก็ยังว่าสมัยธรรมมาที่ปไตยเราถือทำเป็นใหญ่ไม่ได้ถือความลำเอียงอย่างที่ว่ามานั้นความลำเอียงอย่างที่ว่ามานั้น เ, นเมื่อรักกันชอบพอกัน ก็ช่วยเหลือกันได้เต็มที่ถ้าไม่รักไม่ชอบคนนี้แล้วก็ไม่ช่วยเหลือไม่ไม่เลี้ยงแลอยาเป็นยังไงก็เล้วแต่ก็เป็นอย่างนี้แหละคำว่าลาเอียงนะเพราะฉะนั้นนะเราต้องเรียนให้รู้ไอ้เรื่องกิเลสเหล่านี้นะต้องเรียนให้รู้ เมื่อรู้แล้วเราต้องเพิกคิดใจให้เป็นกลางอย่างที่ว่านั่นแหละอย่าให้มันเอียงไปทั้งคนชั่วทั้งคนดีเราก็มีเมตตาอารีเหมือนกันหมดเลยธรรมดาผู้ที่มีใจเป็นกลางมัาต้องเป็นอย่างนั้นต้องมองเห็นว่าไอ้คนชั่วนั้นไม่ใช่มันจะชั่วทั้งหมดดีก็มีชั่วก็มีเราก็พยายา ยามชักรูงกันไปในฐานะอยู่ร่วมกันถ้าข้อผู้นั้นมันรู้ตัวว่ามันไปไม่ไหวแล้วมันก็ไปเองนะอืมมันก็ถอนตัวไปเองอย่างนี้แหละ <c oughs> ว่าแต่เราหมู่มากนี่สามัคคีทำความดีกันเป็นปกติไปแต่คนไม่กี่คนอะ ทำไม่ได้บางสิ่งบางอย่างแล้วอย่างนี้จะไปเดือดร้อนทั้งคนหมู่มากนี่ไม่ไม่สมควรเอาเรื่องชั่วของใครใครก็รับเอาไปนะเลยเราจะไปรับเอาสิผู้ใดแสดงความชั่วออกมาก็ให้เป็นเรื่องของผู้นั้นไปเราไม่รับเอาแล้วเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรกับเขาเขาสร้างความชั่วขึ้นมากก็เขาก็เดือดร้อนเอง มันก็ต้องมันต้องอย่างนั้นต้องปฏิบัติไปตามแนวนี้มันถึงอยู่ด้วยกันโดยความสงบระ ง, งับ mm. นี่แหละการที่เรามาพร้อมเพียงกันฟังเทศฟังธรรมนี่นะมันก็เป็นการจูงคนผู้ที่เป็นการจูงคนผู้ที่ ยังอินทรีย์ยังอ่อนอยู่ให้เขามีอินทรีย์แก่กล้าขึ้นไปเป็นอย่างนั้นไอผู้ที่ตั้งเนื้อตั้งตัวได้ตั้งใจได้แล้วก็ยืนหยัดทาความดีให้เป็นตัวอย่างคนอื่นไปคนที่ศรัทธายังอ่อนอยู่อจิตใจยังห ล, อล่อเลอยู่เขาก็จะฝึกผลตามไป อย่างนี้แหละอ้าวเขาก็เถิบกระทั้งมาเราก็ไม่หวั่นไหวเขาพูดไม่ดีมาเราก็พูดดีต่อเข้าไปอย่างนี้นะอ้าวมันจะทนได้หรือคนเราอะ่ะนานไปมันก็ดีไปสิในเมื่อผู้นำแล้วทำดีพูดดีไปแล้วอย่างในพูดตามหลังจะไม่ดีนะไม่ได้เมื่อไม่ดีจริงๆเอาดีไม่ได้มันก็ต้องถอนตัวออกจากหมู่ไปอืมมันก็เป็นเช่นนั้นแหละ เพราะฉะนั้นน่ะความแสดงออกภายนอกนี่แหละเป็นเครื่องซอเข้าไปถึงภายในจิตใจว่าใจผู้นั้นหนักแน่นหรือไม่หนักแน่นนี่นะมันก็รู้ได้การแสดงออกทางกายทางวาจาภายนอกนี่แหละมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นทุกคนให้เข้าใจ อย่าไปถือเอาเรื่องภายนอกว่าเป็นเหตุทำให้จนเดืดร้อนหุนวายภาวนากล่มไม่ส ง, งบมีผู้มารบควนอะไรท่บอะไรอย่างนั้นนะอย่าเลยอย่าไปเพ่งภายนอกอย่างนั้นนะในเมื่อเราห้ามจิตได้รักษาจิตได้สักอย่างเดียวแล้ว ไอ้ความชั่วของผู้อื่นที่แสดงออกมานั้นมันก็หายเข้าฝีบมีไปเพราะเราไม่ยึดถือเอานี่เมื่อเราไม่ยึดถือแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงอ่ะเพราะว่ากิเลสมันไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนอะไรอ่ะเป็นอารมณ์ของจิตต่างหากนี้เมื่อจิตเราเลือกเฟ้นอยู่เรื่องนี้ไม่ยึดถือ เพราะว่ามันเป็นของมีพิษถ้ายึดถือแล้วจิตเดือดร้อนกําหนดปล่อยวางลงไปอย่างนี้นะะเรื่องนี้มันเป็นประโยชน์ต้นประโยชน์ผู้อื่นเป็นบุญเป็นกุศลเราควรดําเนินตามควรลงมือปฏิบัติไปตามนี้ก็ลงมือปฏิบัติไปเมือนก็สบายสิเพราะว่าเราทําในสิ่งที่มันเป็นบุญเป็นกุศล เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่น อ, อย่างนี้นะเราต้องเข้าใจอย่างนี้การปฏิบัติในพุทธศาสนานี่นะเรายึดเอาความสามัคคีธรรมนั่นแหละเป็นฐานที่ตั้งเป็นที่ตั้งทีเดียวแล้วนะเพราะว่าเราอยู่คนเดียวก็ไม่ได้มันต้องอยู่ด้วยกันหมู่มาก อ, อย่างนี้เลย แล้วไอ้พวกเครื่องขบเครื่องฉันต่างๆที่ส่งมาจากกรุงเทพนะไม่ต้องสต๊อกไว้เพื่อหลงผู่นะเมื่อเห็นว่าสมควรเอามาแจกกันแล้วก็เอามาแจกเลยอ่เป็นนมเป็นขน ม, เ ป, นนมเป็นอะไรก็แล้วแต่ดอกไม่ต้องห่วงลวู่อะ่ะอืม เอามาแจกกันฉันหมดไปแล้วแล้วไปบุญมีมันมีมาใหม่แจกตลอดถึงแม่ชีแม่ขาวแม่ดำมูนานะทามันหลายพอไม่ใช่มาจะไปจแจกกับพระแต่เนนเท่านั้นหรอกแจกกันไปใครไม่มีอะไรก็บอกผู้หัวหน้าผู้หัวหน้ามาติดต่อกับพระ อย่างนี้แหละให้พระท่านจัดมอบให้ผู้หัวหน้าเอาไปแจกผู้ที่ไม่มีอไอระเบียบการปฏิบัติเกี่ยวกับการอยู่กับคนหมู่มากนะให้เข้าใจถ้าหากความมันหลายคนอย่างนี้ใครไม่มีอะไรกบเดือดร้อนอยู่โดยลำพังไม่กล้า ไปขอกับใครตับใครเออย่างนี้มันมันไม่ถูกผู้เป็นหัวหน้าก็ต้องตภารณาไว้เอถ้าใครขัดข้องอะไรเดือดร้อนอะไรก็ขอให้มาให้เขาพูดให้ฟังอย่างนี้นะเมื่อพูดเขาพูดให้ฟังแล้วเราสงวรจะช่วยเขาได้อย่างไรเราก็ช่วยไป ถ้าหากว่าไม่สามารถจะช่วยได้เขาอบอกหมูก็ไม่สามารถจะช่วยได้แต่ว่า ม, มีไม่มีเครื่องใช้ไม่สอยอะไรอย่างแล้วก็มาบอกให้พระทราบอีกทีหนึ่งพระท่านมีท่านก็นจะจัดให้ใครไม่มีอะไรก็แจ้งตัวผูผัวหน้าผู่ัวหน้าบันทึกบันทึกบันทึกไปใครไม่มีอะไร บันทึกไปแล้วก็มายื่นต่อพระออพระได้ไปอ่านดูแล้วอย่างนี้หากว่าสิ่งของมีก็ต้องจัดให้ไปเลยไม่ต้องเกรงใจว่าหลวงปู่จะว่าอย่างโน้น อ, อย่างนี้ไม่ต้องเลยคก็จะมีอะไรก็แจกกันไปหมดแล้วก็แล้วไปอืมเราบวชมาไม่ใช่มาบวชมาเพื่อสะสมของไม่เที่ยง ไม่ยังยืนต่างๆหมูนี้แต่ร่างกายก็ยังจะทอดทิ้งอยู่แล้วแล้วไม่สาวอู่ไปสาสมเอาวัตถุภายนอกไว้ทำไมต้องคิดให้มันเห็นอย่างนี้อันนี้นใครผัดตก ข, อข้อแล้วไม่มีอะไรถ้ามีอยู่ในนี้แล้วก็แจกกันไปสงเคราะห์กันไปเลยอขอให้เข้าใจตามนี้ทั้งพระทั้งเมธีนั่นแหละ ขอปฏิบัติตามนี้เกี่ยวกับปัจจัยเครื่องอาศัยไม่ต้องไปอึดอัดและไม่ต้องหนักใจเมื่อขัดข้องอะไรแล้วต้องรับายออกมานั่นแหะผู้ที่ได้รับเรื่องราวก็อย่าไปยุ่งอย่าไปงุดงิดถือว่ามีแต่เรื่อง หน้าเบื่อนายหน้าละอาไม่ควรจะไปคิดอย่างนั้นพูดอย่างนั้นเพราะว่ า, าไอ้โลกสงสารไอ้มันถ้าเป็นอยู่อย่างนี้เราก็เกิดมาอยู่กับโลกนี้จะไม่ให้มันพบเรื่องดีเรื่องชั่วน่ยมันเจ็ดได้ยังไงอ่ะมันต้องได้พบแหละมันถ้ามีอยู่อย่างนั้นคนผู้ที่ยังไม่สิ้นกิเลสนะ มันจะมีอยู่ น, นั่นแหละมันเป็นไปตามอำ น, นาจของคีเลสเรื่องมันนะแต่บางอย่างมันก็ไม่ใช่อำ น, นาจของคีเลศอบางอย่างมันก็เกี่ยวกับปัจจัยเครื่องอาศัยชีวิตอ่าสำหรับผู้ที่รู้เท่าแล้วอย่างนี้ถึงรู้เท่าอย่างไรเนี่ยมันก็ต้องได้อาศัยปัจจัยสี่นี่นะเช่นผ้านุ่งผ้าหม่มอาหาร ที่อที่อาศัยอย่ดยาแก้โกครคไข้ไข้เจ็บต่างๆหมู่นี้นะอะมันจำเป็นนะดังนั้นนะถึงจะรู้เท่าอย่างไรมันก็ต้องฝันวายหาเมื่อมันไม่มีมาแต่เราหาโดยทางสุจริตทางสุจริตไม่เอาเลยกันถ่าหากเรา เข้าใจแนวทางปฏิบัติอย่างนี้แล้วเราดําเนินไปเช่นนี้แล้วแม้จะมีมากอย่างไรเราก็อยู่กันได้ข้อสําคัญอยู่ที่ว่าต่างคนต่างให้เป็นนักเสียสละนี่แหละสําคัญอันนี้นะให้เป็นนักเสียสละให้ได้ถ้าไม่ยอมเป็นนักเสียสละแล้วมีเท่าไรก็ไม่พอ มันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเราจงปฏิบัติตามสันตุถิธรรมมันะ่ะแปลว่าเราถือยินดีตามมีตามได้เมื่อขนขวายแล้วมันไม่ได้ก็แล้วไปมไม่ต้องเดือดร้อนมีอาหารการ บริโภคกว่าทั้งชีวิตไปได้วันหนึ่งคือหนึ่งแล้วเอาแล้วอือันนี้มันจําเป็นเรื่องอาหารนี่นะถ้าไม่บริโภคแล้วมันก็จะสูบซิดแล้วมันจะแตกทําลายลงไปก็จะไม่ได้ปฏิบททัติธรรมเหตุนั้นเรารับประทานอาหารมานี่ก็เพื่อบํารุงร่างกายอันนี้ไว้จะได้มีกําลังไว้พระรั่งสมธิภาวนาทำกิจวัตรอื่นๆ ที่อยู่ในหน้าที่ของผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายผู้ใดมีหน้าที่อย่างไรก็ทำไปตามกำลังเรี่ยวแรงเท่าที่มีอย่างนี้นะถ้าหากว่าปฏิบัติไปตามนี้แล้วมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรอยู่ด้วยกันหมู่มากพอดีมีอะไรก็แบ่งสรรปันส่วนกันบริโภคใช้สอยไปไม่มีก็ไม่ต้องเดือดร้อน ขอให้มีข้าวอาหารหล่อเลี้ยงอัตภาพร่างกายนี้ไว้แล้วกัเอาละออจํากัดลงไปอย่างนี้ผ้าหนุ่งผ้าห่มนี่โอ้ปีหนึ่งสองปีมันก็ไม่ขาดหรอกพ้าสมัยทุกวันนี้มันเขาทําดีอ่ะนั่นเองที่อยู่ที่อาศัยก็ร่วนแต่ทำอย่างแข็งแรงอไม่ค่อยจะเสียหายจาลุก ง, ง่ายๆอย่างนี้อยู่ยากก็ไม่อด เราก็เอาเงินไปบำรงโรงพยาบาล1 2งสองแห่งทั้งข่าบอสีเชียงใหม่เพราะฉะนั้นเมธีเมข้าวใครเจ็บใครได้ป่วยก็ไปเลยไปหาหมอเขาไปเลยแหละหมอเขาคงไม่เก็บเงินหรอกถ้ารู้ว่าเมธีไปจากวัดอรัญญาบาลพตแล้วนะโรงพยาบาลสองแห่งเนี้ยอันนี้เรียกว่าสิ่งอำนวยความสะดวก ให้แก่การปฏิบัติธรรมขอให้เข้าใจถ้าการปฏิบัติธรรมนี่หากว่ามันขัดข้องปัจจัยเครื่องอาศัยแล้วอย่างนี้มันก็ไม่สะดวกเหมือนกันนะไม่สะดวกดังนั้นนะดังที่จะเห็นได้บางเรื่องที่ผู้เจ้าแสดงไว้อ พระองค์พิจารณาเห็นอุปนิสัยของชาวนาคนหนึ่งแล้วบันนี้เขายังไม่ได้เข้ามาสู่ที่ประชุมนั้นเมื่อคนนั่งหลายคอยฟังโอวาทพระ อ, องค์ก็ยังไม่แสดงธรรมเมื่อคนนั้นมาถึงเข้าอย่างนี้พระองค์ก็ทรงรู้ว่าเขาหิวข้าวก็เลยสั่งให้คนในนั้นจัดอาหารให้เขา รับประทานซะก่อนอเมื่อเขารับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้พระองค์ก็เริ่มแสดงธรรมให้ฟังเขาฟังไปพิจารณาไปคือเขาเทุกขเวทนาอันเกิดจากการหิวข้าวหิวน้ำอะไรมันระงับไปแล้วมันก็เลยสบายกายสบายใจ มีโอกาสพิจารณาตามธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆไปขอพระองค์แสดงธรรมแลจบลงชายคนนั้นก็ได้บรรลุโสาดาปติพจอย่างนี้แหละเพราะเหตุนั้นจึงว่าไอ้พวกเดียรถีพวกฤาษีดาบทสมัยนั้นพากันไปเห็นผิดเป็นชอบ เห็นว่า ก, กิเลสนี่มันแทรกแตงอยู่ในร่างกายนี่แหละฉะนั้นเราต้องย้างให้มันเหี่ยวมันแห้งไปมันร้อน เ, อเปรี้ยวไฟมันถูกเอามันร้อนนะกิเลสมันอยู่ไม่ได้มันจะถอนตัวออกไปีนฤาษีบางตนนะ่ะทำแค่ยกแค่ขึ้นแล้วก็ก่อไฟไว้ใต้นะตนก็นอนอยู่นะให้ไฟมันรมเอา ร่างกายจนเน่าไฟในที่สุดก็ตายไฟเองกิเลส ก, ก็ไม่หมดมเพราะมันปฏิบัติผิดอ่ะมันเข้าใจผิดเข้าใจว่ากิเลสซ่อนอยู่ในร่างกายพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ากิเลสทั้งหลายที่ส่วนดีส่วนชั่วทั้งหมดเกิดขึ้นจากจิตดวงนี้ทั้งนั้นเลย จิตตรงนี้เป็นผู้สร้างกิเลสขึ้นมาเพราะจิตตรงนี้มันไม่รู้เท่าอารมณ์อันจะก่อให้เกิดกิเลสอย่างนี้นะเมื่อเมื่อไดป้ประสบกับอารมณ์ต่างๆที่น่ายินดียินร้ายต่างๆจิตนี่มันก็นยินดียินร้ายไปตามอารมณ์นั้นๆมันถึงได้เกิดเป็นความโลภ ค, ความโกรธความหลงขึ้นมานี่ มันเป็นอย่างนั้นท่านเมื่อจิตของท่านผู้ใดฝึกฝนดีแล้วอย่างนี้มีอารมณ์อะไรกระทบกระทั่งเข้ามาส่วนดีก็ดีส่วนชั่วก็ดีไม่ดีไม่ชั่วก็ดีท่านก็ไม่วันไหวท่านกําหนดจิตตั้งมั่นเป็นปกติอยู่เรื่องเหล่านั้นมันก็ดับไปดับไปดับไปเท่านั้นเองมันไม่มีอะไรจะไปค้างอยู่ในจิตใจของผู้รู้ทั้งหลาย จุดมุ่งหมายแห่งการปฏิบัติธรรมมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าจะต้องไปส ง, งบอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนจึงเชื่อว่าภาวนาเป็นบางคนเข้าใจไปอย่างนั้นก็มีนะดังนั้นอย่าไปเข้าใจเช่นนั้นนะสมาธะพระพุทธเจ้าสอนให้ทำใจให้ส ง, งบเมื่อใจส ง, งบด้วยดีแล้ววิปัสสนา ถัดคิดถัดพิจารณาเหตุผลแห่งชีวิตเป็นมาอย่างไรอย่างไรเอา้าเราค้นคว้าพิจารณาลงไปตามคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอย่างไรอย่างนี้นะเราก็นึกถึงคําสอนแล้วมาพิจารณาเทียบเทียงกับชีวิตของตนเองว่าชีวิตนี่มันมีเหตุปัจจัยเป็นมา อย่างไรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้มันเป็นมาด้วยคำดีคำชั่วตามมาตกแต่งให้อย่างนี้ก็ใช้ปัญญาเพ่งพิจารณาไปอย่างที่แสดงให้ฟังมาแล้วนับกันไม่ถ้วนเลยประเดียวเรื่องเหตุไปเหตุปัจจัยของชีวิตนี่นะนี่แหละการเจริญปัญญาวิปัสสนาเราก็พิจารณา เหตุปัจจัยของชีวิตนี่แหละให้ให้แจ่มแจ้งให้รู้แจ่มแจ้งเมื่อพิจารณาลงไปแล้วมันจะเห็นแจ้งลงว่าเหตุปัจจัยของชีวิตนี่เป็นของไม่เที่ยงเมื่อมันมาอํานวยผลให้ชั่วระยะหนึ่งมันหมดเขตของมันแล้วมันก็ดับไปเมื่อเหตุปัจจัยเหล่านั้นดับไปแล้วร่างกายอันนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้อืมก็ต้อง แต่กลับทำลายไปวิปัสสนานี่มันรู้แจ้งเหตุปัจจัยชีวิตยอย่างนี้แล้วมันจึงมองเห็นว่าชีวิตคืออัตภาพร่างกายหรือขนนันหนี้ไม่มีสาระแก่นสารไม่ยั่งยืนอะไรเลยมันอยู่ได้ทุกวันนี้อยู่ได้ด้วยเหตุปัจจัยเคอบุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนหนึ่ง แล้วก็อาศัยปัจจัสี่ในปัจจุบันนี้หนึ่งสมทบกันเข้าแล้วก็จึงเป็นอยู่ไปได้ถ้าจะมาอาศัยแต่ปัจเจศสี่ปัจจุวันนี้ไม่มีบุญกุศลหอนลังมาหนุนส่งอันนี้มันก็อยู่ไม่ได้มันก็จะเริญรุ่งเรืองไปไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นดังที่เราจะเห็นได้จากคนผู้ไม่มีบุญกุศลแต่หอนลัง มาโน่นส่งเกิดมาแล้วก็ไม่มีสติไม่มีปัญญาอะไรจ ะ, จะหาเงินท้าทองอะจะตั้งตัวเป็นฝั่งเป็นผาเป็นหลักแรงก็ไม่ได้เลยก็มีแต่เที่ยวเล่ยรอนหากินมือมือวันวั น, วนไปเท่านั้นเองน ะ, ะเช่นนี้แหละไม่ใช่ว่าคนผู้นั้นไม่ทำงานไม่ได้ทำได้อยู่ อย่างพวกกรรมกรเนี่ยแบกแบกหางหเข้าไม่ไสกบอะไรตัอะไรเขาทำได้แต่เขาไม่มีปัญญาที่จะไปหาเงินหาทองมาจนว่าตั้งตัวเป็นหลักเป็นแหล่งได้เลยทั้งนี้เพราะอะไรนะเพราะบุญหลหลังน่นะไม่หนุนส่งนะมันไม่มีมันจะเอาอะไรมาหนุนนะแต่ชาติก่อนก็ไม่ได้ทำมางี้นะ เดียวมันจะมาหนุนได้ยังไงอ่ะผนนู้ที่เขามีสติมีปัญญาดีในปัจจุบันเขาทำความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนและตระกูลของตนให้เจริญได้อย่างนี้เลก็เพราะพระพุทธของเขาทำบุญมาเขายินดีในการฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ามายินดีปฏิบัติในทางนี้ถูกต้องมาอย่างนี้แหละ แล้วบุญกุศลอั น, นั้นก็เป็นอนุคามินิติดถอยห้อยตามมาพามาเกิดในชาตินี้เกิดมาแล้วมันก็มาอุทมบำรุงให้เจริญด้วยลาบยศสนเสริญลยความสุขกายสบายใจไปสนับสนุนให้มีสติมีปัญญาหาโลกิยะสมบัติก็ได้ธรรมสมบัติก็มี ยินดีในการสะดับรับฟังคำสองพระทัเจ้ายินดีในการบาเพ็ญบุญกุศลให้จรเจริญขึ้นในตนยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ยินดีในการทำบาปคนบุญทั้งหลายนะคนมีบุญกุศลนนลล้งมาหนุนส่งมาเป็นทุนรอนให้สร้างบุญกุศลในชาตินี้สืบต่อนี่เป็นอย่างนั้นเรื่องมานะดังนั้นคนที่ บุญบา ร, รมีไม่แก่กล้าแล้วมันจะแนะนําสั่งสอนอยังไงยังไงมันก็ปฏิบัติตามไม่ได้อขอขอให้เข้าใจกันผู้ใดมีบุญบา ร, รมีอินทรีย์มันแก่กล้าพอสมควรเท่านั้นเลยเมื่อได้สับสับฟังแล้วมันจึงเข้าใจได้แล้วมันจึงลงมือปฏิบัติตามได้ไม่เห็นว่าข้อปฏิบัติอันนั้นเป็นของยุ่งยากลําบากอะไร เรามีความสามารถทำได้เนี่ยคนมีบุญนะมันต้องเป็นอย่างนั้นแหละคนบุญน้อยนี่โอ้ยเอื้อไม่ถึงเพียจะรักษาสินหน้านี่ก็ไม่ได้ถ้ามีผู้ชวน ร, รักษาสินมรสยิ่งแล้วเลยแหฉันนี่มันอดข้าวเย็นไม่ได้นะมันหิวฮว่าแค่นี้แหละมันอดพเพลิดเพลินตามหัวศพคบกันก็ไม่ได้อ มันจิตใจมันไปฟอกไปอยู่ทั้งนั้นมากกว่ามากนี่ก็ทิ้งนะคนมีบุญน้อยอ่ามีกิเลสหลายนะี่ยกิเลสมันก็จูงไปในทางสนุกสนานเพลิดเพลินในโลกอันนี้เป็นความสุขชั่วคราวนั่นแหละนั่นแหละเรื่องกิเลสมันจูงไปอ่ะผู้มีบุญมากนี่มันมีปัญญานี่มองเห็นว่าความสนุกสนานน่าเริงบันเทิงในโลกนั้นไม่เที่ยงไปอย่างยืนไม่มีประโยชน์ ไม่สามารถจะนำบุคคลผู้รื่นเริงบันเทิงคนทุกข์คนไัยไปได้ผู้มีบุญทั้งหลายมันย่อมพิจารณาเห็นอย่างนี้เราก็เบื่อหน่ายไม่สนใจมาสนใจในทางธรรมมาปฏิบัติการมาฝึ ก, กจิตใจของตนให้บริสุทธิ์จากบาปจากโทษนี้อันนี้เป็นทางคนทุกขโดยแท้อย่างนี้่ะเพราะฉะนั้นเหละเมื่อได้ระับฟังแล้วก็จงพากันตั้ง อ, อกตั้งใจ เพื่อกิจดวงเดียวนี่แหละให้มันสงบระ ง, งับให้มันเกิดปัญญาความรู้ความฉลาดแล้วจะได้ช่วยตัวเองให้ละกิเลสบาประธรรมกรรมมันชั่วออกจากกิตใจให้มันหมดไปไอการละกิเลสบาปธรรมต่างไม่มีใครช่วยใครได้เลยต่างคนต่าง้ตัวช่วยตัวเองแหละวันนี้นะออมันเป็นอย่างนั้น จะไปคอยให้ใครมาช่วยขับไล่กิเลสบาปรธรรมออกจากจิตใจให้ไม่มีแล้วนะแม้ว่าแต่สมัยขั้งพระพุทธเจ้ายังทรงมสนวชีพยอยู่พระองค์ก็ไม่สามารถที่จะไปกําจัดกิเลสออกจากจิตใจของใครได้เป็นแต่ เ, เพียงว่าพราะองค์บอกอุบายวิธีให้เท่านั้นแหละผู้ใดจําอุบายวิธีที่พระองค์สอนเราไปฝึกตนเข้าไปตามแนวทางนั้นอย่างนี้ ก็สามารถละกิเลส ต, ตามประสาตดาเข้าสู่ปริพานได้ดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้